สมภัสส ย, ยองโกเครื่องแป้งโบราณเกตได้ไปเดินตลาดนัดเปิดท้ายซึ่งเป็นตลาดนัดขายของมือสองเธอเดินดูร้านนั้นร้านนี้ไปเรื่อยๆจนเดินมาถึงร้านขายเฟอร์เนิเจอร์ไม้แห่งหนึ่งซึ่งที่นี่ จะขายของพวกโต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงเป็นต้นเกตก็เดินดูไปรอบๆอบร้านแล้วเกตก็ไปสะดุดตากับโต๊ะเครื่องแป้งตัวหนึ่งมันเป็นโต๊ะที่ทําจากไม้เคลือบเงาด้วยแลักเกอร์มีกระจกติดบานหนึ่งเป็นรูปวงรีรอบๆอบบานกระจกแกะสลักเป็นลายไทยดูสวยงามมากเกตยืนมองด้วยความหลงไหล มองดูอยู่พักใหญ่และก็ส่องกระจกไปด้วยในที่สุดเกตก็ตัดสินใจซื้อโต๊ะเครื่องแป้งตัวนี้เพราะกลับมาถึงบ้านเกตก็ขอให้พ่อช่วยยกขึ้นไปไว้ในห้องนอนของเกตแต่เมื่อพ่อได้สัมผัสกับโต๊ะครั้งแรกแกก็ทักเกตทันทีว่าไปได้มาได้ยังไงมีประวัติหรือเปล่าเกตมองหน้าพ่อแบบงงๆก่อนจะตอบไปว่า ประวัติอะไรล่ะพ่อสวยจะตายพ่อไม่ชอบเหรอพ่อยืนมองเพลงบินิโต๊กเครื่องแป้งอยู่พักหนึ่งก็ถามเกตว่าจะไปไว้ในห้องแน่นะเกตตอบพ่อแล้วจะให้ไปไว้ที่ไหนจ้าคุณพ่อหรือจะให้แม่ใช้ส่องสำรวจความสวยฮ่ฮฮพอพูดจบเกตก็หัวเราะแย่พ่อตามใจละกันคืนหนึ่ง เกศกับเพื่อนอีกสามคนซึ่งมีไม้จุบและเดียได้ไปเที่ยวกันคืนนั้นพวกเธอกลับดึกเกตก็เลยชวนเพื่อนๆให้มานอนที่บ้านจะได้เล่นไพ่ด้วยกันเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดงานเพื่อนๆของเกตก็ตอบตกลงแล้วก็พากันไปที่ห้องนอนของเกตซึ่งกว้างพอจะนอนได้สามสี่คนอย่างสบายสบายพอเข้าห้องมา เกดก็หาผ้ามาปูพื้นเพื่อใช้วางไพ่แล้วทั้งสี่คนก็นั่งเล่นไพ่กันพวกเธอเล่นไพ่กันไปเรื่อยๆจนจุ๊บรู้สึกปวดท้องจึงขอตัวลุกไปเข้าห้องน้ำห้องนอนของเกตจะมีห้องน้ำในตัวแล้วโต๊ะเครื่องแป้งที่เพิ่งซื้อมาก็ตั้งติดกับผนังถ้าเราหันหน้าเข้าห้องน้ำ ตกเครื่องแป้งจะอยู่ทางซ้ายมือพอดีพอจุบออกมาจากห้องน้าเธอก็แว่ส่องกระจกที่ต๊กเครื่องแปง้งเธอหันซ้ายหันขวาอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็หันมาพูดกับเพื่อนๆที่นั่งเล่นไพ่กันอยู่ว่าเป็นไงกูสวยไหมมึงแต่พอจุบหันกลับไปมองกระจกอีกครั้งเธอก็ต้องตกใจเพราะเงาสะท้อนในกระจก ไม่ได้มีแค่เงาของจุบเพียงคนเดียวแต่มีเงาของใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังของจุบจุบถอยห่างออกจากกระจกอย่างรวดเร็วจนเหยียบเข้าไปกลางวงไพ่เพื่อนๆก็เลยพากันรุมด่าจุบโธ่อิเชียจุบเป็นอะไรของมึงเนี่ยเหยียบวงไพ่ทำไมจุบไม่ตอบอะไรเอาแต่นั่งนิ่งเงียบจนเพื่อนๆ เ, เ, เห็นว่าจุบดูแปลกๆคิดว่าจุบ คงจะงอนก็เลยพากันงอสีหน้าของจุบในตอนนั้นไม่สู้ดีหนักก่อนจะพูดเสียงสั่นว่าพวกมึงกูว่าเลิกเล่นแล้วเข้านอนกันเถอะกูง่วงแล้วอะไรของมึงมึงตัวต้นคิดเรื่องเล่นไพ่นะแล้วทีนี้ทํามาง่วงจุบก็เลยพูดว่างั้นพวกมึงเล่นกันเถอะกูจะนอนแล้ว จากนั้นจุบก็นอนโดยไม่สนใจเพื่อนเลยพอเช้ามาจุบรีบชวนไมยกับเดีย ก, กลับบ้านทันทีแม้เกตจะพยายามรั้งเอาไว้เพื่อให้กินข้าวด้วยกันที่บ้านก่อนแต่จุบก็ไม่ยอมจะกลับบ้านอย่างเดียวไมยกับเดียก็เลยต้องกลับตามด้วยตอนนั้นเกตก็งงกับท่าทีแปลกๆของจุบแต่ไม่ได้ถามอะไร เลยปล่อยให้เพื่อนกลับบ้านกันหลังจากวันนั้นเกศพยายามชวนจุบ๊บไม้และเดียมาเล่นที่บ้านแต่ก็ไม่มีใครอยากมาเลยเกศเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของเพื่อนว่าไม่พอใจอะไรเกศหรือเปล่าพยายามส่งข้อความไลน์ไปถามก็ไม่มีใครตอบจนคืนหนึ่งเวลาประมาณห้าทุ่มเกศอาบน้ําเสร็จ ก็นุ่งผ้าชดตัวมานั่งอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเพื่อที่จะทาครีมพอนั่งได้สักพักหนึ่งเสียงเตือนข้อความในไลน์ก็ดังขึ้นเกดหยิบโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งมาดูก็เห็นเป็นข้อความจากจุบนั่นเองข้อความนั้นได้บอกว่าอีเกด พวกกูไม่ได้โกรธอะไรมึงเลยนะแต่พวกกูกลัวกูว่าจะบอกมึงแต่กูกลัวมึงไม่เชื่อแล้วด่า ก, กูคืนที่พวกกูไปเล่นไพ่ที่บ้านมึงน่ะตอนนั้นกู่องกระจกอยู่แล้วกูก็เห็นใครไม่รู้ยืนอยู่ในกระจกด้วยกูว่านะทางที่ดีมึงเอาโต๊ะนั่นไปทิ้งเถอะกูเป็นห่วงมึงมากนะพออ่านจบ เกดก็กำโทรศัพท์แน่นได้ความกลัวขึ้นมาทันทีตอนนี้เกดนั่งหันข้างให้กับตัวตัวนั้นอยู่เกดค่อยๆเหลือบหางตาไปมองกระจกทันใดนั้นเองเกดก็ต้องตกใจสุดขีดพอเธอเห็นผู้หญิงใส่ชุดโบราณเธอกำลังเอามือลูบผมของเกดอยู่ในกระจกย่างทนุถนอมลูบไปยิ้มไปมองดูผมเกดด้วยความชื่นชม เกดในตอนนี้นั่งตัวเกร็งสัน่นน้ําตาค่อยๆไหลาอาบสองแก้มปากสั่นระริกด้วยความกลัวสุดขีดแล้วจู่ๆร่างของผู้หญิงคนนั้นก็หันมาทางเกดที่นั่งอยู่แล้วยิ้มให้เกดแต่รอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความน่ากลัวเย็นยเยือเยือกจับใจเพราะเธอนั้นยิ้มแบบปากฉีกยาวมาถึงหู เกดควบคุมสติไม่อยู่อีกแล้วรีบลุกวิ่งออกจากห้องตรงไปหาห้องพ่อแม่แล้วคอบประตูเสียงดังลัน่นพ่อแม่เปิดประตูเกดก็รีบวิ่งเข้าห้องคว้าผ้ามาคลุมโปงทันทีจนพ่อเห็นท่าไม่ดีเลยเอาส้อยผ้ามาคล้องคอให้เกดคืนนั้นไม่มีใครได้นอนกันเลยพอเช้ามาพ่อจึงถามเกดว่าเจออะไรมาหรอ เกดจึงเล่าให้พ่อฟังว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อจึงพูดว่าพ่อก็ถามแล้วว่าแน่ใจเหรอว่าจะไว้ใช้พ่อดูทีแรกก็รู้ว่ามันไม่ดีแน่ๆ แ, แต่ไม่อยากขัดใจเป็นไงละทีนี้หลังจากนั้นพ่อเก็โตเครื่องแป้งตัวนั้นไปถวายวัดพาเกดไปอาบน้ำมนต์และทําบุญสะดอกเคราะห์ส่วนโตเครื่องแป้งตัวนั้น มีความเป็นมาอย่างไรก็ไม่มีใครรู้ได้หัวหน้าผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่ามักจะมีคนป่วยมารักษาซึ่งก็รักษาหายบ้างแล้วก็ตายบ้างมันจึงเป็นสถานที่ ที่มีคนตายอยู่เยอะมากและเรื่องนี้เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเช่นกันวันนั้นที่บ้านคุณมีงานจัดเลี้ยงกินกันเล็กๆระหว่างญาติพี่น้องขณะที่กําลังคุยไปกินไปอยู่นั้นพวกเด็กเล็กๆก็วิ่งเล่นอย่างสนุกสนานน้องคุณเล็กสุดซึ่งเป็นหลานของคุณเองถือแก้วเดินไปเดินมาแล้วสักพัก น้องก็ไปเห็นขวดที่แตกเป็นปากฉลามที่ผู้ใหญ่วางไว้ข้างรัว้วแล้วน้องก็หยิบเดินมาพอแม่น้องเห็นก็รีบวิ่งไปจะเอาขวดแตกออกจากมือลูกซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ขวดนั้นกำลังจะหล่นจากมือพอดีแม่น้องเลียวมือไปรองปากฉลามไว้ก่อนก่อนที่มันจะตกลงแล้วทิ่มเท้าลูกป้ายแหลมที่ขวดนั้น พิมเข้าไปเต็มมือของแม่น้องเลือดสาดกระเซ็นเต็มมือเป็นแผลกว้างพอสมควรทำแผลเองไม่ได้จึงต้องไปโรงพยาบาลกลางดึกคืนนั้นเลยคุณก็ต้องไปกับเขาด้วยพอไปถึงโรงพยาบาลก็เข้าห้อง e อซึ่งเป็นแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินพี่สะพ้ยได้ทำแผลเย็บหลายเข็มมากเมื่อหมอดูอาการแล้ว ก็บอกให้คนไข้นอนโรงพยาบาลเพราะกลัวจะอักเสบและไข้ขึ้นแล้วกุลก็เป็นผู้โชคดีได้นอนเฝ้าพี่สะพายในคืนนั้นคืนแรกพวกเราได้นอนห้องรวมเพราะไม่มีเตียงว่างเลยพอมาถึงช่วงเย็นของวันถัดมาเจ้าหน้าที่ก็บอกได้ห้องพิเศษแล้วก็เลยย้ายคนไข้เข้าห้องพิเศษพอเปิดประตูห้องก็เห็นว่าประตูห้องน้า จะหันหน้าเข้าหาประตูทางเข้าห้องพอดีในห้องมีทีวีตู้เย็นและมีระเบียงอยู่ทางหัวนอนเมื่อกุลเก็บของเข้าที่เสร็จก็อาบน้ําเวลาผ่านไปจนค่าเจ้าตัวเล็กต้นเหตุก็มาเยี่ยมแม่แต่พอถึงเวลากลับน้องก็งองแงไม่อยากกลับขออยู่ด้วยก็เลยต้องให้อยู่แล้วกุลกับหลาน ก็ปูผ้านอนข้างเตียงคนป่วยนั่นแหละเพราะเริ่มดึกกุลก็เคลิ้มเคลิมจะหลับก็มีเจ้าหน้าที่เดินมาเข้าห้องเพื่อวัดไข้เขาบอกพี่สะพายไม่มีไข้ลูกนี้ได้กลับบ้านแน่นอนแล้วพี่เขาก็ชวนหลานกุลออกไปนอนกับเขาแต่หลานกุลไม่ไปเขาพยายามจะตือนแต่ในท้ายที่สุดเขาก็ต้องยอมแพ้แล้วเดินออกไป ตอนนั้นกุลก็เตรียมตัวจะนอนต่อแต่เจ้าตัวเล็กลุกขึ้นมาทำท่าเล่นใจเอ๋แต่กุลคิดว่าหลานคงเล่นกับกุลอยู่เลยบอกให้นอนไม่งั้นจะให้พยาบาลมาฉีดยาเพราะกุลใกล้จะหลับพี่สะพ้ยก็เรียกกุลแล้วบอกให้ไปดูน้องหน่อยน้องเดินเข้าไปในห้องน้ำนานแล้วกุลจึงลุกไปดูก็เห็นน้องทำท่า เหมือนกับกําลังคุยกับใครอยู่แล้วน้องก็หันมาบอกกับกุณว่าพี่เขาพามาฉี่ตอนนั้นกุนก็ตกใจอยู่เหมือนกันในใจตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกหลอนๆแล้วกุนจึงรีบพาน้องออกมาจากห้องน้ําแต่น้องก็ยังไม่ยอมนอนน้องยังเล่นจ้าเอ๋อยู่บอกว่าเล่นกับพี่ด้วยความง่วงกุณก็เลยบอกออกไปว่า แค่มารักษาตัวนะไม่ได้มาแย่งที่ทางอะไรพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วจากนั้นแตงกวาหลานกุลก็มานอนส่วนกุลก็หลับไปพอหลับไปได้สักพักหนึ่งกุลก็ต้องตกใจสะดุ้งตื่นเมื่อพี่สะพายกระโดดลงมานั่งกอดแตงกวาแน่นลองกรีดดังลั่นตึกเลยตอนนั้นกุลตกใจมากทำอะไรไม่ถูกไม่นาน พยาบาลก็วิ่งกลูเข้ามาก็เห็นพี่สะายเลือดเลอะเต็มมือไปหมดเมื่อพยาบาลเข้าไปดูใกล้ๆจึงเห็นว่าแผลที่เย็บนั้นมันฉีกขาดพยาบาลพยายามจะทำแผลและห้ามเลือดให้แต่พี่สะพายไม่ยอมปล่อยน้องเลยกอดอยู่ตลอดเวลาจนกุลต้องไปแก่อาน้องออกมาแล้วแก่ก็ยังบอกกุลอีกว่าอย่าปล่อยตัวน้องนะ ให้กอดเอาไว้และให้โทรหาพี่ชายกุลซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของกุลพี่สะพ้ยบอกว่าจะย้ายโรงพยาบาลไม่งั้นน้องตายแน่แน่กุลก็เลยโทรหาพี่ชายกุลเวลาผ่านไปเกือบสี่สิบนาทีพี่ชายกุลจึงมาถึงแต่ก็ยังย้ายออกไม่ได้ต้องรอหมอเจ้าของไข้ก่อนพี่สะพ้ยจึงลุกเดินออกจากห้องนั้นทันที แล้วมารอตรงระเบียงเคาน์เตอร์พยาบาลแทนในระหว่างที่รอหมออยู่นั้นพี่สะพยจึงยอมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพี่สะพยเล่า ว, ว่าตอนที่กุณหลับอยู่นั้นพี่เขาได้ยินเสียงแตงกวาหัวเราะแกจึงลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นแตงกวานอนตรงโซฟาบนตักผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นผมสอยสั้น มีแผลเป็นยาวบนใบหน้าซึ่งดูยังไงก็รู้ว่าไม่ใช่คนแน่ๆ แ, แล้วกุลก็นอนอยู่ตรงโซฟาข้างเท้าผู้หญิงคนนั้นพี่สภัายเรียกกุลแต่กุลก็ไม่ตื่นเรียกแตงกวาแตงกวาก็ไม่สนใจเอาแต่นอนหัวเราะพอพี่สภัายแกเรียกหนักๆเข้าผู้หญิงคนนั้นก็หันมามองหน้าแก หน้าซีกที่หันมายุบหายไปทั้งแถบแล้วเธอคนนั้นก็แสยะยิม้มพร้อมๆกับมีเสียงพูดออกมาโดยที่ไม่ได้ขยับปากเธอคนนั้นบอกว่าเด็กคนนี้น่ารักจังขอเอาไปเลี้ยงนะักแล้วพี่สภัายก็เห็นผู้หญิงคนนั้นเอาผ้าของโรงพยาบาลมารัดคอแตงกวาเมื่อแกเห็นก็เลยกระโดดจากเตียงมาดึงลูก แต่คว้าเท่าไรก็คว้าไม่ถึงสักทีคว้าโดนแต่เสาน้ำเกลือจนแกเห็นแตงกวาเริ่มดินแกจึงนึกถึงคุณพระศรีรัตนไตรนึกบทสวดอันไหนได้แกก็ท่องหมดจนท้ายที่สุดแล้วแกบอกว่าถ้าไม่ปล่อยลูกแกแกจะแช่งให้ทุกทรมานมากกว่าที่เป็นอยู่ร้อยเท่าพันเท่า จะแช่งให้ตกนรกขุมที่ลึกและทรมานที่สุดพอแกนนึกจบก็คว้าแตงกวามากอดไว้ได้แล้วร้องลั่นโรงพยาบาลนั่นแหละพอหันมาถามแตงกวาเด็กน้อยก็บอกว่าพี่คนนั้นใจดีเล่านิทานให้ฟังแล้วส้อยดอกไม้สวยๆมาใส่คอให้หนูด้วยแต่กลิ่นมันแรงมากจนเกือบหายใจไม่ออก เมื่อผู้ช่วยพยาบาลที่นั่งอยู่นั้นได้ฟังเรื่องราวนี้ก็หน้าเสียในทันทีแล้วแกก็บอกว่าคนที่พี่สะพยเจอน่าจะเป็นหัวหน้าผู้ช่วยคนเก่าวันนั้นแกมารับเวีนต่อแล้วก็ขึ้นไปตากผ้าที่ดาดฟ้าชั้นเจ็ดของตึกแกไปเจอเด็กเล็กลูกแม่บ้านที่ขึ้นมากับแม่เด็กซึ่งกำลังจะไปเก็บของเล่นที่ตกอยู่นอกระเบียงดาดฟ้า แกก็เลยอาสาปีนออกไปเก็บให้แต่พลาดท่าพลัดตกลงมาหน้ากระแทกลุกกลงชั้นห้าชั้นสและชั้นสจนมาค้างอยู่กับเหล็กแหลมลุกกลงระเบียงชั้นสองซึ่งเป็นห้องที่พี่สะพายนอนนั่นแหละห้องนี้ถ้าคนป่วยไม่มีเด็กมาด้วยก็ไม่เคยเจออะไรแต่ถ้ามีเด็กมาด้วยก็จะเจอแบบนี้ทุกราย และที่ให้พี่สะพายอยู่ในตอนแรกก็พาอเห็นว่าไม่มีเด็กเลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเมื่อพวกเราได้ยินดังนั้นก็ขนลุกไปทั้งตัวไม่มีใครกล้าเดินไปเข้าห้องน้ำหรือทำอะไรเลยได้แต่อยู่รอหมอจนกว่าพี่สะพายจะได้ย้ายโรงพยาบาลนักมวยเจอผี เรื่องราวและเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับออสเมื่อ15หปีก่อนเดยออดนั้นประกอบอาชีพเป็นนักมวยไทยออดและเพื่อนๆรวมถึงคณะนักมวยต้องเดินทางไปพัทยาไปชกมวยที่จังหวัดสระบุรีรวมทั้งคณะก็ร่วมเดินทางกันไปหลายคนออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืดพอไปถึงจังหวัดสระบุรีก็ประมาณ8ดโมงแล้ว ออกรวมถึงเพื่อนนักมวยก็ต้องไปชั่งน้ำหนักก่อนกว่าจะชั่งเสร็จเวลาก็ปลาไป11โมงแล้วพอการชั่งน้ำหนักผ่านเรียบร้อยทุกคนก็ต้องหาโรงแรมเพื่อเข้าพักผ่อนกันก่อนแล้วก็มาได้ที่พักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้ๆกับเวทีมีร้านอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมสับทางคณะ เข้าติดต่อกับพนักงานที่เคาน์เตอร์จนได้ห้องพักเรียบร้อยโดยได้ห้อง 202, 203และ204ออดและคณะก็เข้าไปพักผ่อนกันเวลาผ่านไปจนถึงช่วงบ่ายออดและบรรดา น, นักกีฬามวยทุกคนก็ตื่นขึ้นแล้วออกไปหาอะไรกินกันพอทุกคนทานข้าวกันจนอิ่มเรียบร้อย ก็กลับเข้าที่พักดยการขึ้นลิฟต์ออเดินเข้าลิฟต์กับกลุ่มนักมวยคนอื่นๆซึ่งลิฟต์นั้นมีลักษณะค่อนข้างมืดและน่ากลัวระหว่างที่ขึ้นลิฟต์อยู่นั้นก็มีเพื่อนของออสคนหนึ่งที่ปากไม่ค่อยดีพูดออกมาในลิฟต์เกี่ยวกับเรื่องผีและวิญญาณสักพักประตูลิฟต์ก็เปิดออกแล้วทุกคนก็ต้องตกใจ เมื่อมีชายแก่คนหนึ่งไม่รู้ว่าเดินมาจากไหนชายแก่คนนั้นเดินผ่านไปพร้อมกับมีแมวเดินตามมาเกือบ2ี่สิบตัวเพื่อนนักมวยของออสคนเดิมก็พูดกันมาว่านี่คนหรือผีวะเนี่ยมาจากไหนวะแล้วชายแก่คนนั้นก็เดินจากไปโดยที่ไม่ได้สนใจและไม่พูดอะไรออกมาเลยนี่มันเป็นเพียงจุดเริ่มตน้น ที่หลังจากนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่ทาให้ออทและเพื่อนๆถึงกับวงแตกและไม่สามารถอาศัยอยู่ในโรงแรมแห่งนี้ได้อีกต่อไปพอะทุกคนถึงห้องพักก็รวมตัวกันเพื่อจะนวดตัวผ่อนคลายกล้ามเนื้อก่อนขึ้นชกระหว่างที่นวดตัวกันอยู่นั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงเคาะประตูที่ด้านหลังห้อง พอเดินไปดูก็พบว่าที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยทุกคนมองหน้ากันแต่ก็ไม่พูดอะไรแล้วก็นวดตัวกันต่อเวลาผ่านไปแค่ครู่เดียวเท่านั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกคราวนี้ทุกคนเริ่มตกใจว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งใจกล้า เดินไปดูที่ประตูบานนั้นอีกครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่เลยตอนนี้พวกเราเริ่มจะใจคอไม่ดีกันแล้วแต่ก็ยังควบคุมสติกันได้สักพักก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกแต่ครั้งนี้เคาะมาจากด้านหน้าก็เลยตะโกนถามกันอนกไปว่าใครแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับใดๆกลับมา ทุกคนก็เลยนิ่งเงียบแล้วเสียงเคาะประตูนั้นก็ดังขึ้นอีกๆๆๆเพื่อนคนหนึ่งก็ค่อยๆเดินไปที่ประตูแล้วแอบมองที่ตามแมวอย่างช้าๆก็พบว่าข้างนอกนั้นมันว่างเปล่าไม่เห็นมีใครอยู่ข้างนอกเลยเพื่อนคนนั้นจึงเดินกลับมาพวกเรานิ่งเงียบได้แต่มองหน้ากัน เวลาผ่านไปไม่นานก็มีเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มโมโหมากเลยเดินจะไปเปิดประตูและนั่นก็ทำให้ทุกคนในห้องถึงกับตกใจสุดขีดเมื่อเพื่อนเดินไปที่ประตูตอนที่เขาเปิดประตูนั้นมันเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เสียงเคาะประตูยังไม่หยุด เขาเปิดประตูออกไปในทันทีแล้วเขาก็กระเด็นออกไปจากห้องเหมือนกับมีคนมาดึงและฉุดกระชากเวี่ยงออกไปอย่างแรงในตอนนั้นมือของเขายังคงกำรรลุกบิดเอาไว้แน่นเพื่อนทุกคนก็เลยรีบวิ่งไปยื้อยุดฉุดกระชากร่างของเพื่อนเอาไว้โดยที่เป็นการยื้อยุดกับสิ่งที่มองไม่เห็นและในจังหวะเดียวกันนั้น เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นที่ประตูด้านหลังมันทำใหออดกับเพื่อนทุกคนตกใจอย่างมากหลังจากยืยุดฉุดกระชากร่างของเพื่อนเอาไว้ได้แล้วทุกคนก็พากันมาเก็บของในห้องอย่างรวดเร็วด้วยความรีบร้อนใครหยิบจับอะไรได้ก็ย้อนออกไปที่ลานจอดรถก่อนด้วยความกลัวและตกใจแล้วก็วิ่งหนีออกจากห้อง ทุกคนวิ่งไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถดันล่างแล้วก็รีบเช็คเอาออกแบบเร่งด่วนโดยที่ไม่มีใครในกลุ่มคิดจะถามความเป็นมาของห้องนั้นเลยพวกเขารีบเดินทางไปรวมตัวกันที่เวทีมวยในทันทีตอนนั้นทุกคนเริ่มจะมีสติ ก, กลับคืนมาบ้างแล้วก็เลยลองไปสอบถามจากคนแถวนั้นดู ถึงประวัติความเป็นมาของห้องนั้นก็ได้ความว่าห้องที่ออสและเพื่อนไปพักนั้นครั้งหนึ่งได้มีวัยรุ่นไปเช่าพักอยู่แล้วมีการทำแท้งในห้องนั้นซึ่งตรงกับเหตุการณ์ที่รุ่นพี่ของออสมาบอกทีหลังว่าช่วงก่อนที่ออสกับเพื่อนจอกไปกินข้าวกันรุ่นพี่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งตัวขาวซีนอนกอดเพื่อนของออสอยู่ เมื่อรุ่นพี่ได้เห็นดังนั้นก็รีบเดินออกไปจากห้องแต่ก็ไม่กล้าพูดให้ใครฟังวันนั้นทุกห้องที่ทีมงานเข้าพักโดนเคาะประตูเหมือนกันหมดแต่ที่หนักที่สุดคือห้องของออสแล้ววันนั้นเมื่อทุกคนขึ้นชกมวยหนก็ออกมาแพ้ทั้งคณะ สัมัสยอง